สายหยุดคุณหญิงโมลีขอมันเหนนะีที่ท่านให้อุปกรณท่านให้น้าระบบน้ำของเราถัางน้ำระบบน้ำที่เราใช้นะ่ใช่แล้วก็กำแพงเนะี่ยหยุ่ที่หน้าวัดของเราเนี่หนละที่หลวงพ่อไม่ระบุพวกเราคงไม่รู้ว่าผู้มีอุปกรณเหล่านั้นนะคือท่านผู้ใดกี่มากมาย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 ที่สี่ตรงกับวันมาค้าบูชาวันที่สมตอนเย็นจะมีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็วันที่สวันที่สี่ตอนเช้าก็ทําบุญตักบาตรแล้วก็ถวายพัตทหารพระสงฆ์แล้วก็พร้อมกันอูที่สวนกุศ ล, ศศลต่อผู้มีอุปกราะคุณอย่างที่ทังพวกได้กล่าวแล้วก็พร้อมกันถ้าหากว่ามีจตุปัจจัยมากน้อยในวันนั้น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 เวลา 20:00 20, นก็คงจะมีธรรมเทศนาหนึ่งกันถ้าว่ามีครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาเนื้อเหนือกว่าหลวงพ่อจะเป็นผู้มีผู้จะแสดงธรรมเทศนาได้ก็เอานิมนต์แต่ถ้าว่าไม่มีใครก็หลวงพ่อเองฮะวพ่อะลวคณะัทธ า, ายาโยมลูกหลาน <c oughs> มาทุกคนมาที่วัดหลวงพ่อหล ว, วงพ่อจะได้กล่าว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 ความเป็นมาความเป็นไปปารพเรื่องงานเรื่องการเรื่องการเป็นอยู่กับสิทธิอนุสิทธิลูกหลานาครั้งหนึง่งในวันที่สมตอนเย็นแต่วันที่สี่ตอนเช้าก็นจะมีการถวายพระทหารร่วมกันอุธิส่วนกุณสอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะก็คงจะไม่มีอะไร เ, เพียงจนย่อเพียงแค่นั้นหละนี่ก็คือถ้าเราจะนา แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตามาสาธกหรือมาเป็นตัวอย่างก็ถือท่านทำบุญอุทิศสงกุศลเปิดโลกกระทาดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินทุกปีหลวงพ่อก็ได้เข้าไปร่วมทุกปีนะแต่ไม่ใช่เข้าไปร่วมหลวงพ่อเขาจตุปปัจจัยเข้าไปร่วงก่อนที่ท่านจะทาบุญทุกครั้งหลวงพ่อจะได้นาจตุปปัจจัยเข้าไปสมทบท่าน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 แต่เราจะไปงอมืองอเท้าอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเราก็วิ่งเต้นขนขวายพยายามทําเต็มที่ในเท่าที่จะมันขยันอดทนได้ในเมื่อเราทําเต็มที่แล้วก็จะทํำยังไงได้เราเกิดมาเป็นคนจนเราเกิดมาจากฐานที่ไม่รวยฮงเราก็จะต้องดูดูตัวเองอีกเหมือนกันเออข่าวนี้กรรมคงลิขิตให้มาเกิดอย่างนี้นะเราก็ควรจะทําดีที่สุด อประกอบคุณงามความดีที่สุดทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสำ ม, มาชีพดีที่สุดในเมื่อที่สุดแล้วเกิดเพียงแค่นั้นแหะก็น่าจะพอละมั้งนะอถ้าเราก็โดดโลดเต้นมากเกินไปก็ทุกนะเพราะมันเกินประมาณก็ทุกเหมือนกันนะอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร